แปดสิบสี่ปักขะคนานาที่ปุขะ ห, หนานุ ช, ชานาว่าด้วยทรงอนุญาตให้เรียนวิธีนับปักเป็นต้นเรื่องวิธีการนับปักข้อห5 6ร้คันพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเมืองโยธนาวัตถุตามพระอัจรยะใสยแล้วก็เสด็จกลับมายังกรุงราชครืออีกเช่นเดิมสมัยนั้น พวกชาวบ้านถามภิกษุทั้งหลายที่กําลังเที่ยวบินธบาตว่าพระคุณเจ้าวันนี้ก็ค่ํำภิกษุทั้งหลายตอบอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกอัตามาไม่รู้พวกชาวบ้านพากันตำหนิพระนามพลทนาว่าแม้เพียงการนับปักพระสำนัเชื้อสายพระสกยะบุตรเหล่านี้ยังไม่รู้ฉนัยจะรู้ความดีอะไรไรอย่างอื่นเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้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 เราอนุญาตให้ภิกษุทุกรูปเรียนวิธีการนับปักเรื่องทรงอนุญาตให้นับภิกษุในวันอุโบสถข้อสมัยนั้นพวกชาวบ้านถามภิกษุทั้งหลายที่กำลังเที่ยวบินทบาทว่าภิกษุมีจำนวนเท่าไรเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายตอบอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกอัตามาไม่รู้พวกชาวบ้านพากันตำหนิประนามโพลธ น, นาว่าแม้พวกกันเอง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 พระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถเราอนุญาตให้นับภิกษุด้วยการเรียกชื่อหรือให้จับสลากเรื่องไปบิณฑบาตยังหมู่บ้านไกลข้อ่าสสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายไม่ทราบว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถไปบิณฑบาตยังหมู่บ้านไกลมาถึงเมื่อสงฆ์กาลังยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงบ้างเมื่อใกล้จะยกขึ้นแสดงบ้างจบบ้าง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 เราอนุญาตให้ภิกษุผู้เทระบอกแต่เช้าตรู่เรื่องนึกไม่ได้สมัยต่อมาพระเทระรูปหนึ่งเวลาเช้าตรู่ก็นึกไม่ได้ภิกษุนั้นจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้บอกแม้ในเวลาพัตตการแม้ในเวลาพัตตการพระเทระก็นึกไม่ได้